เนื้อหาในรายการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพูดถึงเรื่องของผีเปรตนะคะเปรตเนี่ยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในวรรณกรรมศาสนาพุทธที่มีชื่อว่าไตรภูมิพระร่วงซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1888ค่ะ เป็นผีที่ถูกตีความว่าเกิดจากคนที่ทำผิดบาปมหันโดยเฉพาะในเรื่องของการอากรตันยอยู่ต่อผู้มีพระคุณและเมื่อเสียชีวิตลงดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นสัมภเวสีประเภทนี้โดยลักษณะของผีเปรตนะคะก็คือมีร่างกายผอมโซเนื้อเน่าเหม็นแล้วก็มีเลือดแล้วก็หนองไหลเต็มตัวค่ะสูงเท่าต้นตาลมือใหญ่เท่าใบลานปากเล็กเท่ารูเข็มส่งเสียงหวีดแหลมร้องโหยหวนอย่างทุกข์ทรมาน เรื่องเปรต ถ, ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลาโอนจาก5แพร่งนะคะเปรตอาบัตหรือกระทั่งละครดังสมัยก่อนอย่างเรื่องเปรตวัดสุทัศน์ที่เป็นละครที่อิงมาจากเรื่องจริงนะคะต้นกำเนิดของเปรตวัดสุทัศน์ค่ะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2,300 63ช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะได้เกิดโรคหาระบาดลงในเมืองหลวงคราชีวิตผู้คนไปถึง3 0มห0ื่นคนค่ะจากจำนวนทั้งหมดที่มีเพียงแสนกว่าคนประชาชนส่วนใหญ่อพยพหนีออกจากเมืองบางครอบครัวจำต้องทิ้งพ่อแม่แก่ชราที่เป็นโรคไว้เพียงลำพังคนที่ยังอยู่ก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแร้นแค้นคนตายทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติ บางเกากเงียบเหงาเหมือนเมืองร้างอากาศคล้ายมีหมอกเพราะขม่าวควันจากการเผาศพท้องฟ้ามีแร้งนับพันบินวนเวียนผืนดินมีร่างไร้วิญญาณนับหมื่นรอวันเผาศพถูกคนย้ายผ่านประตูผีมากองผาเนินพร้อมส่งกลิ่นเหม็นเน่าที่วัดสักเกต ร, ราชวรวมหาวิหารจนมีแร้งบินลงมารุมถึงจิกกินซากศพด้วยความหิวโหวยภาพความสยดสยองเหล่านั้นยังคงเป็นที่จดจันถึงปัจจุบันนี้ ช่วงเวลานั้นเองค่ะก็มีคนเริ่มพบเห็นผีเปรตร่างสูงเสียด ฟ, ฟ้าส่งเสียงร้องโหยหวยนในยามค่ำคืนอยู่ตรงบริเวณเสาชิงช้าจนสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านไปทั้งบางแม้จะมีคนกล่าวนะคะว่าน่าจะเป็นเงาของเสาชิงช้าในเข่าควันศพส่วนเสียงร้องก็น่าจะมาจากเสียงของนกแร้งที่อยู่บริเวณนั้นแต่ก็ไม่อาจทาให้คนส่วนใหญ่คลายความหวาดกลัวลงไปได้นะคะ และเมื่อโรคระบาดหมดสิ้นค่ะบ้านเมืองกลับมาเป็นปกติเรื่องราวของเปรตก็ยังคงปรากฏให้พบเห็นอย่างต่อเนื่องจนผู้คนไม่กล้าเดินผ่านแถวนั้นจนเมื่อวัดสุทัศเทพวรารามราชว ร, รมหาวิหารสร้างเสร็จจึงมีการวาดภาพพระสงฆ์พิจารณาสังขารผีเปรตไว้ในเสาของพระวิหารคล้ายเป็นการบันทึกคาเล่าลือ ในส่วนท้ายของเรื่องไม่มีการจดบันทึกที่ชัดเจนแต่ว่าถูกเล่าจากปากต่อปากนะคะว่าเมื่อสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตะยานสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมัยนั้นท่านเองก็ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ได้ยินเรื่องนี้จึงออกมาที่บริเวณหน้าพระวิหารหลวงซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กล่าวว่ามีเปรตมาปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในยามค่ำคืนท่านก็เปรยขึ้น คล้ายกับพูดกับเปรตเลยนะคะว่าอยู่ด้วยกันอย่าได้เบียดเบียนให้ชาวบ้านเดือดร้อนนับจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเปรตอีกเลยค่ะส่วนเรื่องของตำนานเปรตที่วัดคูหาสวร์ น, นะคะนอกจากเรื่องข้างต้นนี้ยังมีอีกตำนานเปรตอีกที่หนึ่งที่ถูกเล่าขานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2502ในชุมชนวัดคูหาสวร์ค่ะ เป็นชุมชนบ้านไม้ติดคลองที่สร้างขึ้นใกล้กับใกล้กันกับวัดคูหาสวรรค์วรวิหารซึ่งเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาสำหรับบริเวณนั้นนะคะในปีดังกล่าว น, น, นี้ยังไม่เจริญนักค่ะไม่มีแม้กระทั่งการเดินทางเพื่อเข้าถึงต้องใช้การเดินเท้า รถสองล้ออย่างรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานก็ไม่มีถนนหนทางให้เดินให้ขับขี่นอกจากทางเรือค่ะมีโจรคนหนึ่งหนีคดีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในชุมชนห่างไกลเพราะความเจริญมันก่อคดีลักเล็กขโมยน้อยเป็นวิสัยครั้นพอถูกตำรวจหมายหัวเพราะว่าเป็นยุคที่มีการปราบปรามอย่างเข้มงวด จึงหลบหนีมาที่นี่แต่ว่ายัางไม่ทิ้งสันดานเดิมนะคะเมื่อเห็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปสูงค่าก็อดคิดชั่วทำชั่วไม่ได้ละค่ะในคืนนึงก่อนวันพระใหญ่ระหว่างที่ชาวบ้านหลับสนิทมันก็แอบเข้าอุโบสถหวังลักพระพุทธรูปแต่มีพระภิกษุรูปหนึ่งมาพบซะก่อนมันก็เลยทำร้ายพระรูปนั้นชาวบ้านรู้เห็นจึงรวมตัวกันขับไล่ พอไปถึงคลองมันก็กระโดดหนีแล้วก็หายลับไปไม่โผล่กลับมาอีกเลยไม่มีใครหาตัวมันเจอนะคะแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นค่ะเมื่อวันก่อนพระใหญ่เวียนมาถึงชาวบ้านคนหนึ่งได้พบเปรตตัวหนึ่งยืนส่งเสียงหวีดแหลมโหยหวนอยู่กลางลำคลองก่อนที่จะเลือนหายไปพอรุ่งเช้าคนที่เห็นก็นำไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังตางก็บอกนะคะว่าได้ยินเสียงร้องนั้นแต่ไม่กล้าออกมาดู หลายคนคะ่ะก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นโจรคนนั้นแต่ก็มีคนที่ไม่เชื่อครั้นพอวันก่อนวันพระใหญ่มาถึงอีกรอบหนึ่งมีชาวบ้านหลายคนคะ่ะเจอเปรตในแบบเดียวกันปรากฏขึ้นที่ข้างกำแพงวัดท้ายวัดคูหาสวรรค์ น, นะคะมัน969ไปถึงคลองก่อนจะหายไปคราวนี้นะคะทุกคนก็เชื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าโจรคนนี้เนี่ยตายแล้วจริงๆแล้วก็ไปเป็นเปรตจริงๆ ก็เลยลงความเห็นว่าควรจะลงไปงมหาศพเพื่อ น, นำมาทำพิธีครั้นพอลงไปงมหาศพบกลับไม่เจอเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้นนะคะก็เลยทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่ปรากฏว่ามีผีเปรต ด, ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกเล่าต่อกันมาตราบจนปัจจุบันแต่ก็ยังมีหลายคนนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นกุศโลบายให้คนที่อยากจะขโมยของในวัดได้ยับยั้งชั่งใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องจริง นอกจากเรื่องที่กล่าวมาสองเรื่องนี้ก็ยังพบมีคนเห็นผีเปรตปรากฏตัวขึ้นตามที่ต่างๆบ่อยครั้งค่ะอย่างเช่นในปี2554ที่ตำบลอารันยิกอําเภอเมืองพิศนุโลกชาวบ้านจัดทำบุญพิธีใหญ่เลยนะคะในต้นเดือนมีนาคมด้วยเชื่อนะคะว่าคนในหมู่บ้านที่เสียชีวิตพร้อมกันถึง3คนเป็นเพราะเปรตค่ะ หรือในเดือนมิถุนายน2555ชาวบ้านท่าพระจังหวัดสุพรรณบุรีต่างก็ต้องตกอยู่ในอาการหวาดผวาเพราะว่าได้ยินเสียงหวีดแหลมร้องหอยหวนของผีเปรตทุกคืนจนต้องทำพิธีกระแบกกระบาลให้เปรตมารับของไหว้และล่าสุดนะคะกลางเดือนธันวาคม2560นาข้าวที่ตำบลวงังทายคำอําเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง ได้มีการพบรอยเท้าขนาดใหญ่จำนวน12รอยซึ่งคนในพื้นที่ต่างก็เชื่อค่ะว่าเป็นรอยเท้าของผีเปรตค่ะไม่ว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องผีเปรตจะเป็นอย่างไรหากค่ำคืนไหนที่คุณได้ยินเสียงหวีดแหลมร้องหยหววขอให้ลองแหงนหน้ามองขึ้นฟ้าดูคุณอาจจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าเปรตมีจริงหรือไม่ เมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อนหากจะพูดถึงสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเฮี้ยนที่สุดในกรุงเทพทุกคนในยุคนั้นจะต้องนึกถึงป่าช้าวัดดอนเป็นอันดับแรกนะคะแม้ว่าจะไม่มีดาราเด่นดังประจำป่าชา้าแต่ว่าผีของที่นี่ค่ะก็มีมากด้วยจำนวนและคอยหลอกหลอนทั้งคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นรวมถึงผู้ที่สัญจรไปมาแทบไม่เว้นในแต่ละวัน บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินเรื่องเล่าถึงรถแท็กซี่ซึ่งรับผู้โดยสารจากย่านบางรักหรือต้นถนนสาทรให้เข้าไปส่งในซอยบริเวณใกล้ป่าช้าแต่เมื่อคนขับพาไปถึงค่ะอยู่ๆผู้โดยสารก็หายตัวไปอย่างไร้วี่แววหรือบางครั้งคนที่ยืนรอเรียกรถแท็กซี่ที่อยู่ปากซอยก็มองเห็นรถชะลอคล้ายๆกับจะจอดรับแต่เมื่อมองเข้าไปภายในรถกลับพบนะคะว่า มีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านหลังหลายคนค่ะแต่ละคนบนร่างกายเต็มไปด้วยคราบเลือดและบาดแผลเวอ ะ, วะหวน่าหวาดกลัวจนในที่สุดก็ไม่มีรถแท็กซี่คันไหนกล้าวิ่งไปรับผู้โดยสารที่นั่นในเวลากลางคืนอีกเลยสำหรับแรกเริ่มเดิมทีนั้นนะคะปะชาชวัต ด, ดอนตั้งอยู่ในเขตของวัดดอนกุศลซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบรมสทนและถูกใช้เป็นที่ฝังบรรดาศพรญาตเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพ มาตั้งแต่สมัย ร, รัชกาลที่6ต่อมาจึงถูกโอนให้อยู่ในความดูแลขององค์กรสามแห่งค่ะซึ่งได้แก่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยมู ล, ลนิธิปอเต็กตึ้งและสมาคมไห่หน่ำด่านเกเต้ จนมีพื้นที่ขยายเพิ่มออกไปถึง150าไร่กระทั่งครอบคลุมไปถึงบางส่วนของซอยเจริญกรุง57และซอยเซนหลุยส์3เพื่อรองรับศพร้ญาติจำนวนนับหมื่นศพและยังมีเพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละปีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากอุบัติเหตุต่ตางๆค่ะสมัยที่ยังไม่มีทางด่วนสีรัตตัดผ่านบริเวณทางเข้าที่ทะลุไปยังป่าช้าทั้ง2 ซอยก็จะมีลักษณะเปรียวแล้วก็มืดนะคะก็จะมีเพียงเสาไฟสองทางซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะพอให้เห็นถนนเท่านั้นเองภายในซอยที่ทะลุถึงการ น, นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบ้านเรือนของผู้คนตลอดสองข้างทางแต่ก็มักจะเป็นบ้านไม้2ชั้นล้อมด้วยรั้วสังกษีที่ปลูกสร้างและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายค่ะไม่ใช่บ้านสมัยใหม่อย่างเช่นปัจจุบันเพราะว่าที่บริเวณนั้นยังมีราคาต่ำ แล้วก็ไม่มีคนต้องการใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งแตกต่างจากซอยต่างๆบนถนนสีลมที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะคะบริเวณป่าช้าส่วนหนึ่งค่ะถูกกันไว้เป็นสุสานจีนโดยส่วนที่เหลือเป็นทุ่งหญา้ารกร้างล้อมรอบด้วยรั้วปูนรั้วไม้รวมถึงรั้วสังกะสีปะปนกันไปแล้วแต่ว่าจะติดกับบ้านหรือว่าสถานที่ใดบ้างทางเข้าด้านหนึ่งก่อสร้างอย่างดีอยู่ทางฝั่งสุสานจีน ในขณะที่อีกด้านเป็นเพียงประตูเหล็กดัดเก่าเต็มไปด้วยคราบสนิมติดกับรั้วสังกษีซึ่งเป็นทางที่มุลนิธิต่างๆนำศพไปฝังนะคะมีอยู่คืนหนึ่งค่ะประมาณกลางปีพุทธศักราช2537ัน25นะคะผู้ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นค่ะก็ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกนั้นเล่าให้ฟังว่าเมื่อถึงเวลาพลบค่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ในซอยทั้งสองแห่งเนี่ยก็มักจะพากันเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มเสมอ ยิ่งทำให้บริเวณนั้นนี่ตกอยู่ในบรรยากาศที่วังเวงหน้าขนลุกและแทบไม่เห็นผู้คนเดินผ่านไปมาในเวลากลางคืนโดยเฉพาะบ้านทุกหลังที่มีรั้วติดกับป่าช้าและปิดหน้าต่างตลอดเวลาค่ะเพราะว่าวันดีคืนดีก็มักจะมีเงาของคนร่างกายสูงใหญ่ขนาดพอๆกันกับบ้านสองชั้นเนี่ยเดินผ่านไปมาให้เห็นบางครั้งก็มีเงาตะคุ่มคล้ายกับคนนั่งยองๆ อ, อยู่บนขอบรั้ว บางครั้งถึงขนาดได้ยินเสียงปาก้อนหินเลยเนะะี่ยคะหล่นกระทบหลังคาหรือแม้แต่เสียงเคาะประตูและขูดขวนอยู่บนบานหน้าต่างพอได้ยินเรื่องที่เพื่อนบอกเล่าผู้เขียนกับเพื่อนอีกห่าคนซึ่งกำลังอยู่ในวัยคึกขนองก็เลยได้ตัดสินใจค่ะชักชวนกันไปลองของทันทีโดยตั้งใจว่าจะไปเล่นผีถ้วยแก้วกันที่นั่นตอนนั้ น, เ ป, นเป็นเวลาประมาณหทุ่มเศษนะคะหลังจากที่ ระหว่างที่รถกระบะติดหลังคาไฟเบอร์ซึ่งผู้เขียนและก็เพื่อนนี้ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางก็กำลังวิ่งผ่านเข้าไปในซอยแคบๆที่มืดสลัวแล้วก็เงียบสงัดจนน่าขนลุกยังไม่ทันที่จะถึงที่หมายค่ะอยู่ๆก็มีตำรวจสายตรวจซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาโดยบังเอิญค่ะเรียกตรวจสกลางซอยนั่นแหละตอนที่ตำรวจคนนั้นเอ่ยปากถามว่าเราไปทาอะไรกันที่นั่น ผู้เขียนยังจำสีหน้าที่เหมือนกับอมยิ้มกึ่งเยาะหน่อยๆของเขาได้เมื่อเราตอบว่าไปเดินเล่นตำรวจก็ทำการค้นตัวแต่ละคนอย่างคร่าวๆพอเป็นพิธีทุกคนก็เกิดความรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เหมือนเป็นลางเตือนภัยนะโดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในนั้นบอกได้ว่าแอบบนบานกับหลวงพอ่อทวดเอาไว้ว่าหากการทำเรื่องพ่เรนครั้งนี้จะทำให้เกิดเหตุร้ายกับทุกคน ในที่สุดคณะผีถ้วยแก้วก็เลยตัดสินใจล้มเลิกความคิดกลางทันแต่ก็ยังขอให้มีโอกาสได้เข้าไปเดินดูสภาพของป่ารอบนอกซึ่งทางที่ใช้ก็คือประตูรั้วเหล็กดัดค่ะมองเข้าไปก็เป็นทุ่งหญ้ากว้างทางด้านซ้ายมือมีศาลาเล็กๆตั้งอยู่ ถึงแม้ในคืนนั้นจะไม่มีใครได้เห็นสิ่งลึกลับอย่างที่ตั้งใจแต่ว่าทุกคนก็รู้สึกได้นะคะว่าขณะที่กาลังเดินวนเวียนไปมาอยู่นั้นคล้ายกับมีสายตาของคนหลายคนเนี่ยจ้องมองดูเราอยู่ตลอดเวลาจนไม่สามารถที่จะทนอยู่ที่นั่นได้มันก็เลยเป็นแค่อุ ป, ปทานหรือเปล่าหรือจะเป็นการเตือนของเหล่าวิญ ญ, ญาณที่ไม่ต้องการถูกรบกวนก็ได้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับพื้นที่มากขึ้นค่ะก็เลยมีการปรับปรุงทัศนียภาพของป่าช้าบางส่วนให้กลายเป็นสวนสาธารณะในชื่อโครงการสวนสวยในปา่าช้า หรืออีกในหนึ่งก็คือสวนสวยสมาคมแต้จิ๋วนะคะโดยทำการขุดล้างป่าช้าแล้วก็นำโครงกระดูกศพรญาติส่วนใหญ่ไปเผาหรือว่ากลบฝังเท่ากระดูกใหม่และเปิดให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจจนแทบไม่หลงเหลือบรรยากาศของความน่ากลัวอีกแล้วแต่ที่แน่ๆค่ะความเฮี้ยนของป่าช้าวัดดอนในอดีตจะยังเป็นตำนานที่ถูกเล่าสืบต่อกันไปอีกนานตราบนานเท่านานเลยล่ะค่ะ พระราชวังจันทร์คือโบราณสถานที่ถูกขุดพบในจังหวัดพิษณุโลกอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านตรงข้ามกันกันกบวัดพระศรีรัตนะ์มหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชเดิมเป็นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนชายล้วนประจําจังหวัดค่ะแต่หลังจากที่มีการค้นพบเศษซากของพระราชวังโรงเรียนก็เลยต้องถูกย้ายออกเพื่อทําการขุดค้นและก็บูรณะพระราชวังเก่าในปีพุทธศักราช2548นะคะโรงเรียนชายล้วนก็ถูกย้ายออกจากพื้นที่โดยสมบูรณ์พระราชวังถูกขุดขึ้นมาอีกหลายส่วน ซึ่งพบว่าตัวพระราชวังนั้นนีกินพื้นที่กว้างมากแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับโบราณสถานอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงที่มีอยู่เดิมได้ถูกกลบฝังอยู่ใต้ดินอีกด้วยค่ะนอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วพระราชวังเก่านี้ยังมีเรื่องเล่าน่าขนลุกอยู่หลายเรื่องตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงเรียนประจาจังหวัดเหลานักเรียนที่ทันได้ใช้พื้นที่ทางการศึกษาสมัยก่อนนะคะได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง ดังมากในหมู่นักเรียนไปจนถึงยามแล้วก็ครูเวนที่เคยได้อยู่จนเลยเวลาพระอาทิตย์ตกดินเป็นเรื่องของเงาดําของชายร่างใหญ่นั่นเองค่ะหลายครั้งที่มีคําบอกเล่าถึงเงาร่างอนันากลัวที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเดินไปทั่วบริเวณโรงเรียนบ้างก็ว่ามี1บ้างก็ว่ามีนับ10 แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงตำนานนะคะจนวันนี้วันที่รั้วรอบขอบวางถูกขุดขึ้นมาเหนือพื้นดินเรื่องที่เคยว่าเป็นเพียงความสนุกปากของเด็กนักเรียนก็ดูว่าจะมีมูลความจริงขึ้นมาทั้งนั้นค่ะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงรวมถึงคนค้าขายแล้วก็รอปภที่ถูกส่งให้มาเฝ้าพื้นที่เวลาคล่าคืนจะได้ยินเสียงคล้ายโลหะกระทบกันอย่างรุนแรงดังอยู่ทั่วบริเวณพระราชวัง บางครั้งก็เป็นเสียงมหัศศพที่ดังกังวานเหมือนมาจากที่ไกลๆแต่เมื่อเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพบต้นตอของเสียงที่ได้ยินได้ฟังเลยสักครั้งส่วนเรื่องที่ชัดเจนที่สุดคงเป็นเรื่องเล่าของคุณตาวัยหลังกเกษียณท่านหนึ่งค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนข้างโบราณสถานซึ่งประสบการณ์ที่คุณตาท่านเองก็ไม่มีวันลืมลงเลยเรื่องมีอยู่ว่าในเช้า ว, วันหนึ่งที่มาวิ่งออกกําลังยามเช้าเหมือนปกติในทุกๆวันแต่ว่าวันนั้นอากาศดีมากกว่าปกติ คุณตาเองก็เลยวิ่งให้ไกลกว่าที่เคยนะคะจนเลยเข้ามาในเขตพระราชวังที่ตอนนั้นถูกสร้างถนนไว้อย่างดีแล้วพร้อมให้ผู้คนเข้าชมด้วยอายุที่มากทำให้สายตาของคุณตาเองเนี่ยไม่ค่อยมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากนะักในเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแบบนี้จากคำบอกเล่าในวันนั้นคุณตาบอกว่าได้เห็นเงาร่างสูงใหญ่วิ่งสวนไปมาอยู่หลายครั้งแต่ยังคงคิดว่าเป็นเพียงผู้คนที่มาออกกาลังกายเหมือนกับเขาเท่านั้น เงาสีดำนั้นค่ะตัดผ่านสายตาไปหลายครั้งจนผู้เห็นเริ่มแปลกใจเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาก็เลยหยุดมองเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรทั่วทั้งขอบเขตคลองสายตาปรากฏเงาร่างสีดำทะมึนมากมายเคลื่อนไหวโอนเอ็นอย่างรีบร้อนคล้ายผู้คนกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างมันคงไม่ใช่ภาพที่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะถ้าเงาดานั้น ไม่วิ่งทะลุผ่านกำแพงและต้นไม้ใหญ่หายไปต่อหน้าต่อตาอีกทั้งเงาร่างบางตนยังไม่สมประกอบภาพที่จำได้ติดตาคือร่างสีดำสนิทที่เหนือคอขึ้นไปไม่มีเงาค่ะเมื่อคุณตาได้สติก็เลยรีบวิ่งหนีสุดชีวิตด้วยความกลัวสุดขีดทุกขณะที่พยายามจะออกจากบริเวณนั้นเขาจะได้ยินเสียงกระทบกันของเหล็กจานวนมากคล้ายกับการประทะกันของดาบเสียงฝีเท้า เสียงร้องครวญครางอย่างทุกข์ทรมานของผู้ตกค้างอยู่ในที่แห่งนั้นหลังจากเขาเล่าเรื่องนี้ให้ใครหลายคนฟังค่ะก็พบนะคะว่ามีผู้คนอีกมากมายที่ได้สัมผัสเรื่องราวใกล้เคียงกันกับตัวเา้าและทุกคนลงความเห็นตรงกันค่ะว่าน่าจะเป็นเสียงของเหล่าวิญ ญ, ญาณทหารกล้าทั้งหลายที่ยังวนเวียนทาหน้าที่และจมอยู่ในห้วงทรมานของไฟสงครามในครั้งนั้น วันนี้นะคะหากมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยียนพระราชวังจันทร์จะเห็นได้ว่าตามหลืบมุมของโบราณสถานยังคงมีถ้วยชามของเส้นไหว้และก็กา้านธูปใหม่ๆที่ถูกนำมาเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้งบางจุดก็จะมีรูปปั้นเล็กๆมาวางไว้ราวกับว่าจะเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนให้ผู้คนในละแวกนั้นได้พบเจออยู่เสมอนอกจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระราชวังเก่าแล้วค่ะ สถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาและสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่แปลกใจเลยค่ะที่สถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มากด้วยศรัทธาและนักท่องเที่ยวอย่างมากมายนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในตำนานที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปรตวัดสุทัศน์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเปรตในตำนานที่วัดคูหาสวรรค์ค่ะรวมถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอีกที่หนึ่งก็คือเรื่องของป่าชาวัดดอนดงผีเฮี้ยนตำนานหลอนเลยทีเดียวถ้าย้อนกลับไป 30-40 ปีก่อน ถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเปรตวัดสุทัศน์นะคะที่บีเองก็ยังอยากจะสารต่ออยู่แล้วก็เรื่องของป่าชาวัดดอนที่คุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าหรือว่ามีประสบการณ์ตรงได้ยินคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เล่ามาสามารถที่จะส่งมาให้บีเล่าได้ที่แฟนเพจพระเจอผีนะคะแล้วก็ผีรั้ววังในพระราชวังสนามจันทร์ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอบพระคุณเว็บไซต์โฮโรสยามด้วยนะคะกับข้อมูลต่างๆที่บีขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยแล้วก็กดติดตาม c h anel พระเจอผีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ